ภาวนาสูตรว่าด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่มั่นประกอบภาวนาอยู่แม้จะเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็จริงแต่จิตของภิกษุนั้นก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะไม่ได้เจริญ เพราะไม่ได้เจริญอะไรเพราะไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน 4, สัมสมประทานสอิทธิบาส4อินรีห้าพละห้าพวชงเจ็ดอริยมรรมีองค์8ปเปรียบเหมือนไข่แดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองที่แม่ไก่กกไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่ดีฟักไม่ดแมีแม่ไก่นั้นจะเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ทำอย่างไรหนอลูกของเราจะใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากทำลายกระปาะไข่ออกมาได้โดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะไข่เหล่านั้นแม่ไก่กกไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่ดีฟักไม่ดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่มันประกอบภาวนาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็จริงแต่จิตของภิกษุนั้นก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรควรกล่าวว่าเพราะไม่ได้เจริญเพราะไม่ได้เจริญอะไรเพราะไม่ได้เจริญสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏานสี่อิทิบาส 4, อินรีห้าภะละหโพชฌงเจ็อริยมรรมีองค์8 ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมันประกอบภาวนาอยู่แม้จะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็จริงแต่จิตของภิกษุนั้นก็หลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรควรกล่าวว่าเพราะได้เจริญเพราะได้เจริญอะไรเพราะได้เจริญสติปัฏฐานสี่ส ม, มปัฏฐานสี่ อิทิบาสีอินรีห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมัคมีองแปดเปรียบเหมือนไข่แดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองที่แม่ไก่ก ก, กดีแล้วให้ความอบอุ่นดีแล้วฟักดีแล้วแ ม, แม่ไก่นั้นจะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอลูกของเราจะใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากทำลายกระเปาะไข่ออกมาได้โดยสวัสดีก็จริง แต่ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะ ง, งอยปากทำลายกระเปาะไข่ออกมาได้โดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไข่เหล่านั้นแม่ไก่กกดีแล้วให้ความอบอุ่นดีแล้วฟักดีแล้วแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมันประกอบภาวนาอยู่ว่าฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอสุวะทั้งหลาย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 เปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือที่ด้ามมีดปรากฏแก่ช่างไม้หรือลูกมือช่างไม้แต่เขาไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้ด้ามมีดของเรากร่อนไปเท่านี้เมื่อวานนี้เท่านี้เมื่อวานเสืนเท่านี้ก็จริงแต่เมื่อด้ามมีดกร่อนไปเขาก็รู้ว่ากร่อนไปแล้วนั่นเองแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมันประกอบภาวนาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้จะไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปแล้วเท่านี้เมื่อวานนี้เท่านี้เมื่อวานเซินเท่านี้ก็จริงแต่เมื่ออาสวะสิ้นไปแล้วถือก็รู้ว่าสิ้นไปแล้วนั่นเองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่เขาผูกด้วยหวายและขันชนะแล้วเล่นไปในน้ำตลอดหกเดือนพอถึงฤดูหนาวก็ถูกเข็นขึ้นบกเครื่องผูกเรือตาลมและแดดไว เครื่องผูกเหล่านั้นถูกฝนตกชะย่อมชำรุดเสียหายไปโดยไม่ยากฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมันประกอบภาวนาอยู่ก็ฉั้นนั้นเหมือนกันสังโยชน์ทั้งหลายย่อมระ ง, งับดับไปโดยไม่ยากภาวนาสูตรที่เจ็ดจบ อาคิกะขันโทปมะสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยกองไฟข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาเริกไปในแคว้นโคสลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดำเนินทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นกองไฟใหญ่ที่กำลังลุกโชนโฉดช่วงอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งครั้นแล้วจึงเสด็จแวะลงข้างทาง ประทับนั่งบนพุทธอาี่ปูลาดไว้ณโคนไม้ต้นหนึ่งจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกองไฟใหญ่น้นที่กำลังลุกโชนโชฉดช่วงอยู่หรือไม่ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการเข้าเปนแนงกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่น้นที่กาลังลุกโชนโฉดช่วงอยู่ กับการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดที่ดากษัตย์ลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวขะบดีที่มีมือและเท้าอ่อนนุ่มอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดที่ดากษัตย์ลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวขะบดีที่มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนี้ประเสริฐกว่าส่วนการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่น้น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 เป็นเหมือนอยากเยื่อเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดที่ดาษัตริย์ลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวข้าพเดีจะประเสริฐอะไรการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่โน้นที่กําลังลุกโชนช่วช่วงนี้ประเสริฐกว่าข้อนั้นประเหตุไรเพราะเขาจะพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นเหตุ แต่เขาหลังจากตายแล้วก็จะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเพราะการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีนมีทาเลวสามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรหมจรรแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดที่ดากริยัลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวขออ้าบดีนั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุก์ตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนนั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารก 2. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร ระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้เชือกหนังที่เหนียวพันแข้งทั้งสองข้างแล้วดึงถูไปมาเชือกหนังนั้นพึงบาดผิวครั้นบาดผิวแล้วพึงบาดหนังครั้นบาดหนังแล้วพึงบาดเนื้อครั้นบาดเนื้อแล้วพึงตัดเส้นเอ็นครั้นตัดเส้นเอ็นแล้วพึงตัดกระดูกครั้นตัดกระดูกแล้วพึงจดเยื่กระดูกกับการยินดีการกราบไหว้ของคติยามหาศาล พรามณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการยินดีการกราบไหว้ของขติยะมหาศาลพรามณะมหาศาลหรือขหาดีมหาศาลนี้ประเสริฐกว่าการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้เชือกหนังที่เหนียวพันแข่งทั้งสองข้างแล้วดึงถูไปมาเชือกหนังนั้นพึงบาดผิวแล้วละถึง พึงโจรดเยื่อกระดูกนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ถุศี น, นั้นละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการกราบไหว้ของขติยามหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือข้บดีมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกําลังใช้เชือกหนังที่เหนียว พันแข่งทั้งสองข้างแล้วดึงถูไปมาเชือกหนังนั้นพึงบาดผิวและถึงพึงโจยเยื้อกระดูกนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการบาดผิวเป็นต้นนั้นเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะเชือกหนังบาดผิวเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลาย ส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการกราบไหว้ของขติยะมหาศาลพรามณมหาศาลหรือขะาพเดีมหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนนั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารก 3. ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้หอกที่คมเฉลมด้วยน้ำมันพุ่งใส่กลางอกกับการยินดีการไหว้ของคติยามหาศาลพราหมณามหาศาลหรือขหบดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการยินดีการไหว้ของคติยามหาศาลพราหมณามหาศาลหรือขหบดีมหาศาลประเสริฐกว่า ส่วนการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้หอกที่คมชลมด้วยน้ำมันพุ่งใส่กลางอกนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการไหวของคติยมหาศาลพรามณ์มหาศาลหรือขหบดีมหาศาลจะประเสริฐอะไร การที่บุรุษผู้มีกําลังใช้หอกที่คมชโลมด้วยน้ํามันพุ่งใส่กลางอกนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจะพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีหอกที่คมเฉลมด้วยน้ํามันพุ่งใส่กลางอกเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะการถูกหอกแทงนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลาย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 ระหว่างการที่บุรุษผู้มีกําลังใช้แผ่นเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโช่ช่วงนาบกายกับการใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยามหาสาลพราหมณามหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลผู้ถุศีลใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยามหาสาลพราหมณามหาสาล หรือข้าบดีมหาศาลนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าส่วนการที่บุรุษผู้มีกําลังใช้แผ่นเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกชนโชดช่วงหนาบกายตัวเองนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ถุศีน ล, ละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขตยะมหาศาล พรามณมหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้แผ่นเหล็กร้อนที่เผาไฟลูกโนโชดช่วงนาบกายนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการถูกนาบกา ย, ย น, ก น, นั้นเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก เพราะการถูกนาบกายด้วยแผ่นเหล็กร้อนนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีนละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของคติยะมหาศาลพรามณ์มหาศาลหรือข้าบดีมหาศารย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนั้นและหลังจากตายแล้ว เขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก 5. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้ตะขอเหล็กร้อนที่เผาไฟลูกโชนโชดช่วงง้างปากแล้วใส่ก้อนเหล็กร้อนที่เผาไฟลูกโชนโชดช่วงเข้าไปในปากก้อนเหล็กร้อนนั้นพึงไหมลิมฝีปากบ้างไหมปากบ้างไหมลิ้นบ้างไหมคอบ้างไหมอกบ้าง พาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกทางทวารเบื้องล่างของคนนั้นกับการฉันปินทะบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยมหาศาลพราหมณามหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการฉันบินทะบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยมหาศาลพราหมณามหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลนี้เท่านั้นประเสริฐกว่า การที่บุรุษผู้มีกําลังใช้ตะขอเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชดช่วงง้างปากแล้วใส่ก้อนเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชด ช, ช่วงเข้าไปในปากก้อนเหล็กร้อนนั้นพึงไหม้ริมฝีปากบ้างไหม้ปากบ้างไหม้ลิ้นบ้างไหม้คอบ้างไหม้อกบ้างพาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกทางทวารเบื้องล่างของคนนั้นนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อฉันบินธบา ท, ที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยามหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกําลังใช้ตะขอเหล็กร้อนที่เผาไฟลูกชนโชดช่วงง้างปากแล้วใส่ก้อนเหล็กร้อนที่เผาไฟลูกชนโชดช่วงเข้าไปในปาก ก้อนเล็กร้อนนั้นพึงไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่ลิ้นบ้างไม่คอบ้างไม่อกบ้างพาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกทางทวารเบื้องล่างของคนนั้นนี้เท่านั้นประเสริก่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการใส่ก้อนเหล็กร้อนนั้นเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก เพราะการใส่ก้อนเหล็กร้อนนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อฉันบินบทบ่าที่เขาถวายด้วยศรัทธาของคตยะมหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือข้บดีมหาศารย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีล น, นั้นและหลังจากตายแล้ว เขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารก 6. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังจับศีรษะหรือคอแล้วให้นั่งทับหรือนอนทับเตียงเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชดช่วงกับการใช้สอยเตียงต่างที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยะมหาศาลพรามณ์มหาศาลหรือข้าบดีมหาศาล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 เราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อการใช้สอยเตียงตั้งที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยะมหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือข้าปฎิมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกำลังจับศรีรษะหรือคอแล้วให้นั่งทับหรือนอนทับเตียงเหล็กร้อนที่เผาไฟลูกโชนช่อช่วงนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาจะพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการนั่งหรือนอนทับเตียงต่างเหล็กร้อนนั้นเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะการนั่งหรือนอนทับเตียงต่างเหล็กร้อนนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีน ล, ละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่ การใช้สอยเตียงต่างที่เขาถวายด้วยศรัทธาของัติยะมหาสารพรามณามหาสารหรือขหบดีมหาสารย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ถุสีนั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเจ็ดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร ระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังจับคนชูเท้าขึ้นห้อยศีรษะลงแล้วโยนลงในหม้อเหล็กร้อนที่เผาไฟลูกโชนช่อช่วงเขาถูกไฟลวกเดือดโปล่ขึ้นเป็นฟองในหม้อเหล็กร้อนนั้นบางครั้งก็ลอยขึ้นบางครั้งก็จมลงบางครั้งก็ลอยขวางกับการใช้สอยวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยะมหาศาลพรามณ์มหาศาล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 หรือข้าพดีมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกาลังจับคนชูเท้าขึ้นห้อยศีรษะลงแล้วโยนลงในหม้อเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกชนช่อดช่วงเขาถูกไฟลวกเดือดโลขึ้นเป็นฟองในหม้อเหล็กร้อนนั้นบางครั้งก็ลอยขึ้นบางครั้งก็จมลงบางครั้งก็ลอยขวางนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการถูกโยนลงในหม้อเหล็กร้อนนั้นเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะการถูกโยนลงในหม้อเหล็กร้อนนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นดุจอยากเยื่อการใช้สอยวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของคติยมหาศาลพรามณมหาสาร หรือขหาดีมหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายใช้สอยจีวรบินบาบเซนาสนะและคีฬานปัจัจเพศบริขารของชนเหล่าใด ส ก, การะเหล่านั้นของชนเหล่านั้นจะมีผลมากมีอนิสงมากและการบรัรพชาของเราทั้งหลายจากไม่เป็นมันมีผลมีกำไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลอีกประการหนึ่งเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตนก็ควรที่จะทำประโยชน์ตนนั้นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทโดยแท้ เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ของผู้อื่นก็ควรทำประโยชน์ของผู้อื่นนั้นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทโดยแท้หรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองอย่างก็ควรทำประโยชน์ทั้งสองอย่างนั้นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วและเมื่อพระองค์กำลังตรัตเวยากรณภาสิทธินี้อยู่ภิกษุประมาณ60รูปได้กระอากเลือดอุ่นๆ อ, ออกมา ภิกษุประมาณ60รูปได้บอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัสด้วยกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคการประพฤติพรหมจรรย์ทําได้ยากแสนยากข้าแต่พระผู้มีพระภาคการประพฤติพรหมจรรย์ทําได้ยากแสนยากภิกษุอีกประมาณ60สรูปมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเช่นนี้แลอักกิกขันโทรประมะโสโซที่แปด เก้าสุนเนตสูตรว่าด้วยครูชื่อสุนเนตตะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่อสุนเนตตะ เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกสาวกเหล่าใดเมื่อครูสุนเนตตะแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ไม่ทำจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อครูสุนเนตตะแสดงธรรม เพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ได้ทำจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้วได้ เ, เกิดในสุคติโลกสวรรค์เรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่อม uh ูคาปักขะและถึงเรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่ออระเนมิเรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่อกุทาละเรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่อหัตถิปาละ เรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่อโชติปาละเรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่ออาระกะเป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในการมทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกสาวกเหล่าใดเมื่อครูอาระกะแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ไม่ทำจิตให้เลื่อมใส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 พึงด่าบริภาคครูทั้งเจดนี้ผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกลามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นจะพึงประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากหรือไม่พึงประสบพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีจิตถูกโทสะประทุสร้ายพึงด่าพึงบริภาคครูทั้งเจดนี้ผู้เป็นเจ้าลัทธิ ผู้ปราศจากความกำหนัดเนือกรามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากส่วนผู้ใดมีจิตถูกโทสะประทุษร้ายพึงด่าบริาพาศบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิคนเดียวผู้นั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญมากกว่าบุคคลผู้ด่าบริาพาศครูทั้งเจนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเราไม่กล่าวว่า การขุดค้นคุณความดีของตนเช่นนี้จะมีภายนอกศาสนานี้เหมือนการด่าการบริภาษเพื่อนโพรมจารีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราทั้งหลายจะไม่คิดประทุษร้ายในเพื่อนโพรมจารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหลสุนเนตสูตรที่เก้าจบ อาระกะสูตรว่าด้วยครูชื่ออาระกะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่ออาระกะเป็นเจ้าลทัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกาทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมกัสาวกอย่างนี้ว่าพรามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีประมาณน้อยเล็กน้อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแคนมาก บุคคลพึงรู้ด้วยปัญญาพึงทำกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีหอกสาธิเกิดมาแล้วจะไม่ตายพรามหยาดน้ำค้างที่ยอดหญ้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็เหือดแห้งไปอย่างรวดเร็วอยู่ได้ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยหยาดน้ำค้างก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแคนมาก บุคคลพึ่งรู้ด้วยปัญญาพึ่งทำกุศลพึ่งประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีรอกสาธิ่เกิดมาแล้วจะไม่ตายพรามเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกฟองน้ำย่อมแตกหายไปอย่างรวดเร็วคงอยู่ได้ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยฟองน้ำก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแคนมาก บุคคลพึงรู้ด้วยปัญญาพึงทำกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีรอกสาธิเกิดมาแล้วจะไม่ตายพรามรอยขีดในน้ำย่อมขาดหายไปอย่างรวดเร็วคงอยู่ได้ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยรอยขีดในน้ำก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วและถึงไม่มีรอกสาี่เกิดมาแล้วจะไม่ตายพราม แม่น้ำที่ไหลามาจากภูเขามาจากที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัด ส, สิ่งที่พาไปได้ไม่มีขณะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดโดยที่แท้แม่น้ำนั้นย่อมไหลบ่าเรื่อยไปแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยแม่น้ำที่ไหลามาจากภูเขาก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วละถึงไม่มีรกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย บุรุษผู้มีกำลังอมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถมทิ้งไปโดยไม่ยากนะักแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยก้อนเขยละก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วละถึงไม่มีหอกสาตีเกิดมาแล้วจะไม่ตายพรามชิ้นเนื้อที่เขาใส่ไว้ในกระทะเหล็กที่ถูกไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมหดหายไปอย่างรวดเร็ว คงอยู่ได้ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยชิ้นเนื้อก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วละถึงไม่มีหรอกสทธิเกิดมาแล้วจะไม่ตายพรามแม่โคที่จะถูกฆ่าถูกเขานำไปสู่ที่ฆ่ายกเท้าขึ้นคราวใดก็ยิ่งใกล้ถูกฆ่าใกล้ตายเข้าไปคราวนั้นแม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยแม่โคที่จะถูกฆ่าก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วและถึงไม่มีหอกซาที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายได้มีอายุประมาณห0 0 0ื่นปีเด็กหญิงมีอายุห้าร้ปีจึงมีสามีได้สมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอาพาธเพียง6อย่างเท่านั้นคือ หนาวร้อนหิวกระหายบทอุจาระบทปัสสาวะภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนอย่างนี้ดำรงอยู่ได้นานอย่างนี้และมีอาพาธน้อยอย่างนี้ฉะไหนครูอาระกะนั้นยังแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าพรามชีวิตของมนุษย์มีประมาณน้อยเล็กน้อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแคนมาก บุคคลพึงรู้ด้วยปัญญาพึงทำกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีหรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายภิกษุทั้งหลายปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวถึงชีวิตนั้นให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีประมาณน้อยเล็กน้อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากบุคคลพึงรู้ด้วยปัญญาพึงทำกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์ ไม่มีหรกส์ธี่เกิดมาแล้วจะไม่ตายภิกษุทั้งหลายปัจจุบันนี้ผู้มีอายุยืนจะอยู่ได้ร้อยปีน้อยกว่านั้นก็มีมากกว่านั้นก็มีส่วนคนที่อยู่ได้ถึงร้อยปีจะอยู่ได้สามร้อยฤดูเท่านั้นคือฤดูหนาว 100, ร้อยฤดูร้อน 100, ร้อยฤดูฝนร้อยคนที่อยู่ได้ถึงสามร้อยฤดูจะอยู่ได้ถึง หน0่ 1> 1, เดือนคือฤดูหนาว400ฤดูร้อน400รฤดูฝน400คนที่อยู่ได้ถึง 1,200 เดือนจะอยู่ได้ถึง 2,400 ันส่งเดือนคือฤดูหนาวแปดร้อยเกือกเดือนฤดูร้อนแปดร้อยเกือกเดือนฤดูฝนแปดร้อยกือกเดือน คนที่อยู่ได้ถึง 2,400 ัรกึ่งเดือนจะอยู่ได้ถึง 36,000 ราตรีคือฤดูหนาว 12,000 สราตรีฤดูร้อน1 2 0 0 0สองราตรีฤดูฝน1 2 0 0 0สราตรีคนที่อยู่ได้ถึง3 6 0 0 0ราตรีจะบริโภคอาหารได้ 72,000 มือ้อคือฤดูหนาว 24,000 พมือ้อ ฤดูร้อน 24,000 มือ 24, ม้อฤดูฝน 24,000 มื้อนับรวมถึงการดื่มนมมารดาและเหตุที่ทำให้ไม่ได้บริโภคอาหารในข้อนั้นเหตุที่ทำให้ไม่ได้บริโภคอาหารมีดังนี้คนโกรธก็ไม่บริโภคอาหารคนมีทุกข์ก็ไม่บริโภคอาหารคนเจ็บไข้ก็ไม่บริโภคอาหาร คนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหารและคนหาอาหารไม่ได้ก็ไม่บริโภคอาหารภิสษุทั้งหลายเราได้กำหนดอายุกำหนดประมาณอายุกำหนดฤดูกำหนดปีกำหนดเดือนกำหนดกลึ่งเดือนกำหนดราตรีกำหนดวันกำหนดอาหารและกำหนดอันตรายแห่งการบริโภคอาหารของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีด้วยประการชนนี้แล ภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อคูณผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์พึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งอย่าประมาทอย่าเป็นผู้มีวิปติสารความร้อนใจในภายหลังเลยนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย อารักะสูตรที่10จบมหาวัฏที่10บจบรวมพระสูตรที่มีในวัฏนี้คือหฮิริโอตปะสูตร 2. สัตสุริยะสูตร 3. นัคโรปมะสูตร 4. ธรรมันยูสูตร 5. ปาริชาตกะสูตร 6. สักกัจสูตร 7. ภาวนาสูตร 8. ปอคิกะขันโทปะมะสูตร 9. สูตรเนตะสูตร 10. อระกะสูตร 8. วินัยวักหมวดว่าด้วยวินัย 1. น ปฐมวินยธระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธรนสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจตประการเป็นพระวินัยทรนได้ธรรมเจตประการอะไรบ้างคือ 1. รู้จักอาบัติ 2. รู้จักอนาบัติ 3. รู้จักละหุกาบัตสี 4. รู้จักครุกาบัตร 5. มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมพี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศึกขาบททั้งหลาย 6. ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 7. ทําให้แจ้งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจตประการนี้แลเป็นพระวินัยทอนได้ปัธมวินยัทธระสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยวินยัทธระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยทอนสูตรที่สอง ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจตประการเป็นพระวินัยทอนได้ธรรมเจตประการอะไรบ้างคือ 1. รู้จักอาบัต 2. รู้จักอนาบัติ 3. รู้จักลหุกาบัตส 4. รู้จักครุกาบัตห 5. ทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตร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 เป็นพระวินัยทอนได้ทุติยวินยัธรสูตรที่สองจบ 3. ตติยวินยัธรสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยทอนสูตรที่สภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำเจ็ประการเป็นพระวินัยทอนได้ทำเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. รู้จักอาบัติ 2. รู้จักอนาบัต 3. รู้จักะหุกาบัตร 4. รู้จักครุกาบัตร 5. เป็นผู้ตั้งมั่นไม่ง่นแง่นในวินัย 6. ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 7. ทําทำให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจตประการ น, นี้แลเป็นพระวินัยทอนได้ตาติยะวินัยธรรมสูตรที่สจบ4จีะเจตุถาวินัยธรรมสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยทอนสูตรที่สภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยทำเจตประการเป็นพระวินัยทอนได้ทำเจตประการอะไรบ้างคือ 1. รู้จักอาบัต 2. รู้จักอานาบัต 3. รู้จักลหุกาบัต 4. รู้จักครุกาบัต 5. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ 1. ชาติบ้าง 2. ชาติบ้างละถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 6. เห็นหมูสัตว์ผู้กาลังจุติกาลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นบริสุ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้ 7. ทําให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจ็ประการนี้แลเป็นพระวินัยทอนได้จะตุถาวินยธะสูตรที่4จบ